ความหดหู่ง่วงงุนความหวาดสะดุง้งความตื่นเต้นความย่อหย่อนความเพียรตึงเกินไปความเพียรหย่อนเกินไปความยากความกําหนดหมายต่างๆการเพ่งรูปมากเกินไปซึ่งรวมเป็นความเศร้าหมองแห่งจิตสิเอ็อย่างในที่สุดเมื่อทรงทราบว่าเป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตก็ทรงละได้หมดทุกอย่าง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 รั้นทรงทราบว่าได้สรงละอุปกิเลสแห่งจิตทั้ง11ดได้แล้วก็ทรงคิดว่าได้เจริญสมาธิโดยส่วนสาแล้วในบัดนี้ต่อจากนั้นทรงแสดงว่าได้เจริญสมาธิที่มีทั้งวิตกวิจาร์ได้แก่ฌานที่หนึ่งสมาธิที่ไม่มีวิตกแต่มีวิจาร์ได้แก่ฌานที่สองในฌานห้า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 และชานที่สี่หในชานหสมาธิที่ประกอบด้วยความสุขได้แก่ชานที่หนึ่งสองสาในชานสและชานที่1ถึง4ในชานหสมาธิที่ประกอบด้วยอุเบกขาได้แก่ชานที่สในชานสี่และชานที่หในชานหเมื่อได้เจริญสมาธิอย่างนี้แล้วก็เกิดยานัทสนะ